อยากแค่มารวมศูนย์แต่ต้องขึ้นให้สูงบรรยายเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2545วันนี้เป็นวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีกุศลอันยิงย่งใหญ่ เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีความหมายทางในแง่ของท้องถิ่นคือในแง่ของสถานที่และในแง่ของการเวลาในแง่ของท้องถิ่นก็คือในอำเภอศรีประจันต์ในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือมองกว้างออกไปจนกระทั่งถึงทั้งประเทศไทยเราแล้วก็ทั้งโลก ได้เกิดมีมหาเจดีย์ขึ้นมาอย่างที่เรียกก็เป็นทางการอีกองค์หนึ่งซึ่งเราได้มาร่วมกันประกอบพิธีมัจจุพระ บ, บรมสารีกระฐานเรียกว่าประดิษฐสถานไว้เป็นการถาวรเป็นหลักเป็นที่บูชาของพุทธบริษัทสืบไป และในแง่าการเวลาก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกดันสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะก็เขตอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ว่าเมื่อวันที่เท่านี้ได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไว้ เพราะว่าพระมหาเจดีย์นี้จะประดิษฐานมั่นคงอยู่ต่อไปนานเท่านานเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีจุดเริ่มต้นในบัดนี้นั่นจึงนับว่าเป็นเวลาสำคัญเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งอันนี้การที่มีงาน บัร จ, จุพระบรมสารีลิกธาตุครั้งนี้ขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนแม้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้อยู่ในพุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัทเคารพ บ, บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระบรมศาสดา ทรงประดิษฐ์วัถานพระพุทธศาสนาได้ทรงประกาศธรรมะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วโลกและก็ได้ยั่งยืนสืบมาถึงเวลานี้ 2,500 กว่าปีแล้วเรานับถือองค์พาสมมาสัพพุทธเจ้าเราจึงน้อมใจระลึกถึงพระองค์ แต่เราก็ได้มีประเพณีสืบมาว่าเราจะหาสิ่งที่เป็นอนุสร์สำหรับแทนองค์พระสมัมมาสัพพุทธเจ้าแม้แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่พระองค์ก็สเสด็จจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นเช่นจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชคลึจากเมืองราชครึก็อาจจะไปต่อไป ไปเมืองเวสาลีในแคว้นวัตชีเนี่ยแล้วในที่สุดก็มาเมืองกุศินาราสถานที่ปรินิพานเมื่อพระองค์เสด็จไปในที่ต่างๆประชาชนมีความเลื่อมใสเขายังเป็นบุถุชนอยู่ก็มีความรักมีความอาลัยแม้แต่พระองค์ยังอยู่เขาก็อยากเห็นพระองค์อยู่เสมอไม่อยากให้จากไปไกล อย่างเช่นที่เมืองสาวัตถีที่ประเชตวันซึ่งเป็นวัดสําคัญพระพุทธเจ้าประทับที่นั่นมากแต่บางครั้งก็เสด็จไปที่อื่นชาวเมืองนั้นมีความรักเคารพ บ, บูชาองค์พระสมมาสิพพุทธเจ้าเป็นอันมากความจริงก็ไม่อยากให้พระองค์ไปไหนแต่ก็เป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจก็ต้องเสด็จไปโน่นไปนี่อันนี้เขาก็อยากจะมีอะไรไว้แทนพระองค์สำหรับเป็นที่ระลึกเพราะนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลที่วัดพระเชตวันซึ่งอนาถบดีเกษตรีเป็นผู้ได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นอนาถบดีเกษตรีซึ่งเป็นผู้สร้างวัดวก็มีความรักเคารพในองค์าสดามาก ก็อยากจะมีอะไรไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสนรนึกดูแทนพระองค์ก็เป็นเหตุให้พระอานนท์เนได้ปลูกต้นโพไวแทนสำหรับเวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็มาดูต้นโพเนี้ยแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอานันทโพธิต้นโพที่พระอานนท์ปลูกขึ้นนี่เป็นตัวอย่างว่าไมมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายัางทรงบชนอยู่เนี่ย พุทธบริษัทก็ยังอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมออยากจะเฝ้าเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความสุขมีปิติอิ่มใจเรียกว่าเป็นมโนภาวนียะพูดเป็นภาษาไทยว่าเป็นที่เจริญใจเราคารบบูชาประสงค์ก็ดีหรือว่าสถานที่สำคัญองค์เจดีย์อะไรต่างๆเราเนี่ยต้นโพล เรามีจิตสถาทในพระศาสนาเพราะเราเห็นจิตใจของเราก็ชื่นบานผ่องใสมีความสุขสดชื่นสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นมโนภาวนียะหรือเรียกสั้นๆว่ามโนภาวณีเป็นเครื่องเจริญใจเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพพานแล้วแน่นอนว่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยจะมีความอาลัยมากก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ ล, ลึก ก็พอดีว่าเป็นประเพณีมาแต่โบราณที่ว่าบุคคลสำคัญแม้แต่ในทางบ้านเมืองได้จากไปเขาก็มีการสร้างอนุสรสถานไว้สมัยก่อนเขาเรียกว่าสถูกก็ก่อสถูกไวบ้บรรจุอธัธิ่านพระพุทธเจ้าเมื่อทรงประชนอยู่ก็ได้ตรัส แสดงหลักธรรมไว้หมดหนึ่งเรียกว่าถูปาระหะบุคคลสี่ประเภทประบุคคลสี่ประเภทเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่สถูกคือก่อสร้างอนุสรสถานบัรจุอัติหรือสาริลิกธาตุไว้คือหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระปัจเจกบพุทธเจ้าสาพระอาหารหันตสาวกและสี่พระเจ้าจากักรพรรดินี่เรียกว่าเป็นถูปารหาบุคคล พระพุทธเจ้าตรัดไว้อย่างนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าได้ทรงชี้ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ก่อนซึ่งเป็นช่องทางให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานที่เมืองกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมันละหลังจากที่ได้บาเพ็ญพุทธกิจมา45ส้าพรรษา พระชนมายุได้แปดสิบปีขันพระพุทธเจ้าปรินิพานและถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วก็ยอมเป็นธรรมดาว่าจะมีพระอัฏฐธิธาต์เราเรียกกันว่าภาษาริลิกธาต์ใครๆก็อยากจะได้เมืองทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปโปรดมากมายพอรู้ข่าวก็เลย ทรงคนมาขอแบ่งภาษาลิลิกราตัก็เราก็ได้ทราบจากพุทธประวัติว่าได้มีการจัดแบ่งภาษาลิลิกราทัออกเป็นเจ็ดส่วนนำไปประดิษฐานไว้ในเมืองต่างๆเจ็ดเมืองเช่นเมืองราชคลึเมืองเวสาลีเป็นต้นนี่ก็นับว่าเป็นประเพณีเริ่มต้นและเราก็รู้จักพระบรมสารีริกธาตุนับแต่บัดนั้น คือตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆ <_ d ata> พระสถูปที่บรรจุพระบรม ร, ร, รักษาลิกิตาที่เจดเมืองนี้แล้วก็ยังมีอื่นอีกอย่างโทนพราหมณ์เองก็ขอเอาธนานที่ใช้ตัวภาษาลิลิตาท์เนี่ยไว้เป็นที่ระลึกก็ก่อเป็นเจดีย์บรรจุไว้เวลาก็ล่วงมาล่วงมา ต่อมาภายหลังมาถึงสมัยพระเจ้าโรมหาราชพสสองเศษตั้งแต่พศสองเป็นต้นมาขึ้นครองราชและต่อมาหันมานับถือพระพุทธศาสนามีการสังคกตนาพระธรรมวินัยเมื่อพศสองสมหาพระเจ้าทรมหาราชทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนามากก็เลยได้มีการ ที่เรียกง่ายๆว่าเปิดกลุเปิดพระเจดีย์พระสถูปที่บรจจุพระสารีริกธาตุก็มีการนาออกมาแผ่ขยายแจกไปในที่อื่นๆเนี่ยทาให้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้แพร่กระจายไปในที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่มาถึงเมืองไทยเราแม้พระบรมสารีริกธาตุที่เรามาประชุมกันบำเพนกุศลในการบรรจุในวันนี้ ก็ถือว่ามีจุดกําเนิดมาแต่เนี้ยเวลานี้ก็แพร่กระจายจไปในที่ต่างๆทั่วไปหมดก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มีพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เมื่อมีพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นตัวเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อมีองค์แทนพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พวกเราทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าก็เลยทําให้ พระเจดีย์ที่บัจจุภาษาลิลิกทธานเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจชาวพุทธชาวพุทธอยากจะนมัส ก, การพระพุทธเจ้าก็พากันมาที่พระเจดีย์นี้นี่เรียเรียกว่าศูนย์รวมใจกลายเป็นศูนย์รวมใจนี้ขอเล่าแทรกนิดหนึ่งที่ท่านพระครูโสภณสิทธิการท่านเป็นประธานจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเป็นผู้ริเริ่ม ในการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อวัดบังกลา น, นี่เราเรียกกันง่ายๆชื่อของท่านตามสมรักษ์ว่าท่านจะคุณเมธีธรรมสารท่านก็จากพวกเราไปนานแล้วแต่ว่าท่านพระครูโสพลสิทธิการเป็นลูกศิษย์เป็นสัตธิวิหาริก คือหลวงพ่อว่าพระกราบเป็นอุปัชฌาย์อันนี้หลวงพ่อต้องเห็นอะไรเห็นความสำคัญของธรมนพรครุโสผลสิทธิการจึงได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้อันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งละเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมีความอย่างเห็นอะไรที่ว่า ท้าพระครูมีคุณธรรมมีความดีเป็นต้นที่เหมาะสมที่ว่าจะเป็นผู้ที่จะดำรงรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้สามารถทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้สมตามวัตถุประสงค์ก็มอบให้มาแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติใกล้ชิดก็คือคุณอวยแล้วท่าพระครูก็ เท่ากับว่าในแง่หนึ่งถ้าพระครูโสโภจิธิการก็ดีคุณอวยก็ดีเนี่ยก็มีศูนย์รวมอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดบางกลางเนี่ยเป็นที่รวมกันอันนี้เวลาท่านจัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระมหาเจดีย์ขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องมานึกถึงอาตมาว่าก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดบางกลางเหมือนกันนคือหลวงพ่อวัดบางกลางเป็นอุปชาตอนบทเนน ก็เรียกว่าเป็นอุปัชาเดียวกันก็เรียกว่ามีศูนย์รวมอยู่ที่หลวงพ่อพระบ๊ะกล่าวด้วยกันคงจะด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยนิมนต์อตมาให้มาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เรียกว่านี่เป็นศูนย์รวมใจขั้นที่หนึ่งคือหมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีศูนย์รวมอันเดียวกัน ทั้งท่านพระครูโสพลสิธิการที่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อแล้วก็คุณอวยแล้วก็อาตมาก็มาวันนี้มารวมกันที่นี่นก็รวมที่หลวงพ่อไปเมื่อกล่าวทีนี้หลวงพ่อพระว่ากล่างการทุกๆองค์จะเป็นอาตมาก็ตามหรือองค์อื่นก็ตามแล้วรวมทั้งญาติโยมนี่ก็มีสูตรรวมสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือเราทุกคนเนี่ย บอกย้ำว่าหลวงพ่อไปเมื่กลางด้วยนะก็มีศูนย์รวมใจไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งในพระพุทธเจ้าก็มีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นองค์แทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมารวมกันอีกทีหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ศูนย์รวมใหญ่ที่สุดคือพระบรมสารีริกธาตุนี้นี่เมื่อเราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเจดีนี้เป็นเครื่องหมายให้มองเห็นพระบรมสารีริกธาตุนั้น ถ้ามองในแง่เป็นวัตถุก็เล็กนิดเดียวมองไม่เห็นทำไงเราก็ต้องทำเจดีบรรจุให้ใหญ่มองเห็นแต่ไกลอนัญาตโยมก็มองเห็นอยู่ไหนก็มองเห็นอย่างน้อยมองเห็นยอดเจดีแต่ไกลก็ใจก็มีปีติอิ่มใจเบิกบานใจเห็นพระเจดีก็นึกถึง พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นึกถึงองค์สมาสบพุทธเจ้าจิตใจก็ชื่นบานผ่องใสได้ศรัทธาในพระรัยาตรายอยู่ที่ไหนก็น้อมใจนมัสการกล่าวคำสาธุก็ทำให้จิตเป็นกุศลมีภาษาทะมีความผ่องใสมีความสุขได้ตลอดทุกเมื่อโยมต้องทำใจอย่างนี้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมองมาที่พระเจดีย์เห็นยอดพระเจดีย์ก็นึกถึง พระ บ, บรมภาษาริลกธาตุนึกถึงองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงหลักธรรมคําสอนของพระองค์นี่แหละใจเขาเราจะดีงามน้อมจําใจให้เบิกบานพ่องใสน้อนมนําใจให้เป็นกุศลให้นึกถึงธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจแล้วเวลามีโอกาสเราก็มารวมกันที่นี่อีกนี่นี่ก็เป็นศูนย์กลางนี่กลายเป็นศูนย์กลางนี่เป็นเรื่องสําคัญ คนเราไนี่มีศูนย์รวมใจมีศูนย์กลางเนะี่ยทำให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพียงกันแต่การรวมพร้อมเพียงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็มีสองอย่างคือพร้อมเพียงทางกายเรียกว่ากายสามคัคคีพร้อมเพียงทางใจเรียกว่าจิตสามคัคคีโยมานั่งประชุมกันที่นี้นั่งพร้อมกันนะบางทีเบียดเสียดเย็ดยัดเลยก็มี เราก็เรียกว่ากายสามัคคีแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งลึกเข้าไปก็คือในใจเนี่ยถ้าใจเรานับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันใจเรามีกุศลธรรมอย่างเดียวกันมีความสุขสดชื่นเบิกบานผ่องใสเหมือนกันจิตใจเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันมีหลักยึดเนี่ยวเดียวกันนี่เรียกว่ามีจิตสามัคคี เช่นอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยตัวศรัท ธ, ธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีจิตสามัคคีพอศรัท ธ, ธาในาศาสนาศรัท ธ, ธาในองค์พระพุทธเจ้าเราก็มีใจพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความพร้อมเพียงทางใจหรือจิตสามัคคีนี่แหละเป็นแกนสําคัญถ้าเราไม่มีจิตสามัคคีแล้วกายสามัคคีก็เกิดได้ยากแม้เราจะบังคับให้มาประชุมพร้อมกันในกายสามัคคีมันก็ไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเรามีจิตสามาคธิมีความพร้อมเพียงความพร้อมเพียงทางใจแล้วก็กายจะสามาธิก็มั่นคงแล้วก็อยากจะมาเรื่อยเลยถ้าบังคับกานในกายจะสมคธิไม่มั่นคงอ่ะ <ร eso. S 2> อยากจะหนีไปพอไปได้คราวนี้ไม่กลับมาอีกแล้วแต่ทีนี้ถ้ามีจิตสามาคธิแล้วทน่นี้อยากจะมาเรื่อยเลยนะอยากเมื่อไหรท่านจะจัดอีกจะขอมานี่คิดเรียกถามอยู่เรื่อยเลยแล้วจัดเม er ื่อไหรก็เป็นอนุมานิสละจิตสามคธิ นะัต้องมีทั้งสองอย่างจะมีจิตจสามัคคีนี่เป็นแกนลึกอยู่ข้างในพอมีจิตตสามัคคีแล้วก็พาให้กายสามัคคีตามมาพอมีทั้งสองอย่างก็ครบบริบูรณ์เพราะว่าจิตนี่มาทํางานอะไรไม่ได้พยอมมีกายจสามัคคีครั้นี้มีเรื่องอะไรจะต้องทําก็ทําพร้อมกันได้หมดเลยงานกายเขาสู่รูมก็สําเร็จเพราะฉะนั้นศูนย์รวมใจศูนย์กลางอะไรต่างๆเราเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้เกิด ความสามคัคคีทั้งทางกายและทางใจคือทั้งกายะสามคัคคีและก็จิตจสามคัคคีเอาเป็นว่านี่ก็เรามีศูนย์รวมเลยแหละเนีทีนี้เรามีเครื่องช่วยให้เรามารวมศูนย์เนี่ยยังไม่พอต้องก้าวต่อไปอีกเนี่ยเรามีพระเจดีพระเจดีนี่มีนอกจะเป็นศูนย์กลางให้แล้วนะเนี่ยเราอยู่นี่เหมือนกับมีพระเจดีอยู่เป็นศูนย์กลางให้เรา พระเจดีมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือสูงขึ้นไปในฟ้าด้วยนี่เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าอย่ามารวมศูนย์อย่างเดียวรวมศูนย์ยังไม่พอต้องขึ้นให้สูงด้วยนะมารวมกันอยู่แค่เนี้แล้วก็อยู่เท่าไรก็เท่านั้นไม่ก้าวหนะ้าเคยมีจิตใจยังไงเคยมีศีลแค่ไหนมีศรัทธาแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหน ทำบุญกุศลทำความดีอะไรแค่ไหนเคยประพฤติยังไงอยู่แค่นั้นอย่างนี้ถึงมารวมกันเป็นศูนย์กลางมันก็ไม่กล่าหน่าทําไงล่ะพระเจดีท่านเตือนเราแล้วบอกว่าอย่ามารวมศูนย์อย่างเดียวนะต้องขึ้นให้สูงด้วยทีนี้เราก็มาและดูพระเจดีบอกว่าท่านเตือนให้เราขึ้นสูงเอจะขึ้นสูงยังไงจะมาปีนพระเจดีหรือโยมก็บอกเอถ้าจะไม่ไหว ถ้าพวกปีนผู้พระเจดีนี่ถ้าไม่ใช่ช่างไม่ใช่เรื่องกิจการข้างวัดก็น่ากลัวบางทีเป็นพวกปีนจะไปหาของมีค่าอันนี้ไม่ดีแล้วนีนั้นที่ท่านว่าให้ขึ้นสูงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้มาปีนป่ายพระเจดีแต่หมายถึงว่าให้ขึ้นสูงในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าคือพระเจดีนี่เป็นเครื่องเตือนใจเราอีกทีหนึ่งเตือนใจเราเนี่ย ให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะาลึกถึงอะไรเราก็ต้องรู้ไปถึงว่าพระองค์เนี่ยอ๋อได้ประสูดเมื่อนั้นอย่งงางนั้นเดินทางปฏิบัติศาสนกิจบาเพ็ญพุทธกิจต่างๆนี่เพื่ออะไรก็เพื่อสั่งสอนธรรมะให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้อะไรเป็นความจริงความเท็จแล้วนามาใช้ประพฤติปฏิบัติทําชีวิตให้ดีงามทางสังคมให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป อันนี้ก็คือว่านี่คือเราจะต้องขึ้นให้สูงในธรรมะของพระองค์คําสั่งสอนของพระองค์เวลาเรามามองพระเจดีเนี่ยชาวพูธมีอย่างหนึ่งก็คือว่ามักจะมองไปที่เรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารมีพระธาตุก็ น, นึกถึงฤทธิถึงปาฏิหารเด้อมีปาฏิหารอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเรานึกถึงเรื่องฤทธิเรื่องปาฏิหารน่ะเอาละก็ดีทําให้เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใส แต่ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีเรานึกถึงเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหารเนี่ยเรานึกแต่จะเอากับตัวเองอท่านมีอิทธิปาฏิหารท่านจะมาบันดาลอะไรให้เราในท่านึกอย่างนี้ก็หมายความนึกจะเอาอย่างเดียวไม่นึกเลยว่าตัวเราต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะเอาจากท่านเนี่ยเราน่าจะนึกว่าเราควรจะทําอะไรให้ท่านบ้างหรือเราควรจะทําตัวให้สมกับที่ท่านจะให้เรา นั้นอย่าไปนึกแต่เรื่องอิทธิปาติหารว่าจะบัดดาลอะไรแต่ไรให้เรายังไงไงเลยควรจะต้องมานึกถึงว่าตัวเราเนี่ยจะต้องทําอะไรให้เป็นผู้เหมาะสมแก่อิธิปาติหารของท่านหรือการทิท่านจะมาช่วยอะไรแต่ไรเราเนี่ยเราทําตัวให้สมซะก่อนทําตัวให้สมควรเราก็เลยต้องมาประพฤติปฏิบัติ นำธรรมะของท่านมาก็ดูคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกว่าย่ติดอยู่แค่อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยโยมที่เรียนธรรมะมาแล้วคงทราบว่ามีสามอย่างมาทวนความรู้กันนิดหนึ่งมีอะไรบ้างปาฏิหาริย์มีสามอย่างหนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์ทำโน่นทำนี้ได้หเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ คนก็มอกจะมองติดอยู่แค่เนี้ยเพราะมันเห็นง่ายเป็นรู ป, ปรธรรมนี่ลึกลงไปอีกอยากที่สองท่านเรียกว่าอาเทศนาปาติหารอาเทศนาปาติหารนี่คือถ่ายใจได้รู้ใจคนอื่นว่าขณะนี้เขาคิดยังไงใจเขาเป็นยังไงน่อยากจะพูดอะไรน่มีความรู้สึกอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าอาเทศนาปาติหานดักใจถ่ายใจได้ สองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่เห็นแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์แต่พระพุทธเจ้าตัดว่าพระองค์เนี่ยไม่ทรงสรรเสริญปาฏิหารสองอย่างนี้มีปาฏิหารอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากคืออะไรท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือคำสอน ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจสเสด็จไปโน่นไปนี่มาเห็นแกนเน็ดเหนื่อยตั้ง45ปีนะ่ะอะไรพระองค์ไม่ได้สเสด็จไปเพื่อไปสแสดงอิทธิปาฏิหารนะพระองค์เสด็จไปเพื่อจะสั่งสอนนี่แหละข้อสมเนี่ยเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารคือสเสด็จไปเพื่อจะให้อนุสาสนีอนุสาสนีก็คือคำสั่งสอนธรรมะต่างๆเนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรถูกอะไรผิด อะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเป็นต้นเรียกว่าประธานพระธรรมวินัยไว้ให้เรานี้อนุสาสนีปาฏิหารเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเวลาสอนบอกอยังไงแล้วพอยมเข้าใจยมได้ปัญญาเนี่ยสิ่งนั้นที่เคยไม่เคยทำได้ก็ทำเองได้ที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจ ก็ น, นั้นอนุสาสนีปาฏิหารนี่ได้มาแล้วนี่เป็นของเราเองแท้จริงแต่อิทธิปาฏิหารนี่ยังเป็นของผู้แสดงนั้นใครแสดงก็เป็นของคนนั้นเราไปเห็นพระองค์หนึ่งหรืออะไรก็ตามว่ามีอิทธิปาฏิหารเนี่ยก็อยู่ที่ของนั้นแหละไม่อยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่มีทางพิสูจน์จริงไม่จริงด้วยเราก็ต้องอาศัยท่านอยู่พึ่งท่านเลยไปนี่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยเพื่อให้เราทําได้เองให้เรารู้เข้าใจมีปัญญา เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าอย่าติดอยู่แค่อิทธิปาฏิหาริย์ถ้าอย่างนั้นต้องคอยไปอาศัยพระองค์ต้องอ า, อาศัยผู้อื่นด้วยไปถ้าท่านจะพึ่งตัวเองได้ท่านต้องมาเรียนคำสอนฟังอนุสาสนีแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจพอมีความรู้เกิดปัญญาคราวนี้แล้วก็รู้เองทำเองได้คราวนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะนั้นเราก็เป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งใครก็พึ่งตนเองได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญอนุศษาสันนิปาทิหารไม่ให้ติดอยู่แค่อิทธิปาทิหารและก็อาเทศนาปาทิหารอย่างที่วัดเนี่ยท่านก็คอยจัดอยู่เสมอก็คือเรื่องการศึกษาเล่าเรียนให้พระสงฆ์และญาติโยมเนีได้ เ, เรียนรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเรารู้จักคําสอนรู้จักหลักธรรมวินัยแล้วทีนี้เราก็เดินหน้าได้ เรารู้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรชีวิตจะดีงามยังไงจะก้าวหน้าได้อย่างไรจเจริญทานอย่างไรศีลอย่างไงภาวนาอย่างไงถ้าเป็นพระสงฆ์ก็จเจริญตรใจศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาเป็นยังไงนะหรือจะจำเพาะลงไปสมถาวิปัสสนาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้ด้ยอนุสาสนีปาฏิหาริ์ทั้งนั้นแล้วเราก็ทําเองได้พอทําเองได้เราเป็นเองแม้แต่ฤทธิ์ต่อไปก็ทําเองได้ไม่ต้องไปคอยรอให้เขาทําฤทธิ์ให้เราแหละ นั้นต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริ์เทุกอย่างจึงจะสําเร็จแท้จริงมาอย่างนั้นไปนของคนอื่นเท่านั้นเองอิทธิาปาฏิหาริ์นั้นอาเทศนาปาฏิหาริ์เป็นของเขา น, นจะให้เป็นของเราได้ต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริ์เพราะพุทธเจ้าต้องการให้เรามีของเราเองพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะให้อนุสาสนีเนี่ยแล้วก็ส่งยกย่องแต่อนุสาสนีปาฏิหาร ทีนี้พอเราได้อนุสาสนีปาฏิหารฟังธรรมรู้ธรรมแล้วทีนี้เราก็ขึ้นสูงได้ละทีนี้ก็ขึ้นสูงไปในธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเพอันนั้นอาตมาจึงบอกว่าอย่าให้พระเจดีย์เป็นแค่ที่รวมศูนย์ต้องให้ขึ้นสูงด้วยก็ขึ้นสูงไปในธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอะไรไว้เราก็มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือเกิน ก็สอนเราไว้เนี่ยอย่างที่ญาติโยมรู้จักกันอย่างชาวบ้านที่พูดเมื่อกี้เนียบอกว่าให้ประเพณทานศีลภาวนาถ้าเป็นพระก็นิยมพูดเรื่องให้เจริญศีลสมาธิปัญญาแต่อย่างพูดรวมกันก็คือว่าพอเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็จะเริญนในมรรคนั่นเองอ่ะมรรคเปองค์แปดประการเริ่มต้นได้รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางและเนี่ยแค่นี้เริ่มต้นแหละ ก่อนที่เราจะเดินเราจะก้าวหน้าไปไหนเราต้องรู้ก่อนว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วทางไหนถูกทางไหนผิดอันนี้ข้อแรกในมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิที่ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกต้องก็เห็นตั้งแต่ว่าอันไหนเป็นทางถูกอันไหนเป็นทางผิดถ้าเป็นทางเสื่อมทางอบายอย่าไปต้องไปทางที่จเจริญก้าวหน้าไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานนี่แหละพอได้อนุสาสนีปาติหารรู้ธรรมะเริ่มก้าวทันทีเลย ก้าพ้นจากอบายทางอบายทางเสื่อมเวลานี้สำคัญมากเราจะต้องระมัดระวังสังคมปัจจุบันนี่มีเครื่องยั่วยวนล่อลอกมากเหลือเกินถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่รู้จักเรียนธรรมอนุสาสนีไปติดหลงอิทธิปาฏิหาริย์นะี่ไม่พ้นอันบายนะอันบายมุกอ่ะอบายามุกก็แปลว่า ป, ปากทางแห่งความเสื่อมเวลานี้มีหรือมากเหลือเกินสังคมไทยของเหล่นี่เสื่อมไปจนกระทั่งว่าเละเทะจนกระทั่งว่า รัฐบาลทนไม่ไหวรัฐมนตรีมหาทไทยชื่อร้อยเอกปุระชัยเนี่ยเปี่ยมสมบูรณ์นี่ก็เลยต้องมาจัดระเบียบสังคมก็ขึ้นมองในแง่หนึ่งก็ถือว่าท่านผู้นี้มีความคิดดีตั้งใจดีหรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือสังคมไทยมันเละเทะเต็มทีทนไม่ไหวนะฮะก็จําเป็นจะต้องมาจัดกันสักทีก็เรียกว่าจัดระเบียบสังคม จะระเบิดสังคมก็เริ่มต้นก็คือจะให้สังคมไทยนี่พ้นอบายนั่นเองอบายก็แปลว่าวอะไรก็แปลวความเสื่อมนีอบายนี่แปลง่ายๆความเสื่อมมันรวมไปถึงอะไรบ้างก็นรกไงเปรตอสุรกายดิรลฉานในพวกอบายทางนั้นเลยอบายภูมินี้ก่อนจะไปอบายภูมิอย่างนั้นมันก็มีอบายภูมิในโลกนี้ก่อนอบายภูมิในโลกนี้ก็เยอะเลย เวลานี้สังคมไทยมีอบายเยอะอบายมุกปากทางอบายอบายนะตัวอบายทีนี้อบายมุกก็แปลว่าช่องทางหรือปากทางไปอบายถ้าใครไปตกในอบายมุกก็เตรียมเตรียมตกช่องทางเข้าประตูอบายแล้วก็มีอะไรโยมก็คงจำได้อบายมุกหกเวลาเขาจัดระเบียบสังคมเนี่ยเขาจัดที่เนี่ยแก้ไขเรื่องอบายมุกก่อนมีอะไรบ้างอบายมุกหกหนึ่งเรื่องสุรายาเสพติดนี เอาละสิข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสังคมไทยกำลังจะแย่แล้วอบายมาแล้วเนี่ยเราต้องพ้นอบายเนี่ยถ้าเรามาทางถูกนาะโยมพ้นทันทีเลยข้อที่หนึ่งสุรายาเสพติดข้อสองอะไรข้อสองการพนันเนี่ยรายุ่งแหละการพนันสังคมไทยกันเละเทะเต็มทีต่อไปสมอะไรอ่เรื่องเที่ยวกลางคืนเที่ยวไม่เป็นเวลานเวลา แล้วก็ก่กอการทะเละวิวาสวาดหมางเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่โตในสังคมไทยเวลานี้ก็เป็นเรื่องเนี้ยเรื่องที่ไปเที่ยวไม่เป็นเวลาเที่ยวกลางคืนเลยอะไรก่อเหตุทะเละวิวาทวุ่นวายกันต่อไปอะไรอีกอบาลมุกข้อที่สีมกมุ่นการบันเทิงเอาแต่การบันเทิงสนุกสนานมีเฮฮาสนุกสนานจะหมายก่อนเขาเรียกว่ามีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรเงี้ยนะ มีระบิมมีฟอนระมีมดนตรีที่ไหนไปที่นั่นเวลานี้บันเทิงมันมาถึงในบ้านมีวีดีโอมีเกมอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์นี้ถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็หมกมุ่นอยู่ในการบันเทิงแล้วเนี้ยเรียกตกอบายเหมือนกันแล้วอะไรอีกต่อไปคบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วนี่เป็นคนที่ติดยาก็พาเราอย่างนักเรียนเด็กๆดเดี๋ยวนี้ญาติโยมต้องระวังมากถ้าเป็นพ่อแม่ คบเด็กคบเพื่อนถ้าคบเพื่อนไม่ดีพาไปเสียหมดเพื่อนเป็นติดยาเสพติดติดยาบ้าก็พาเด็กของเราไปติดยาบ้าด้วยเพื่อนติดการพนันก็พาไปเล่นการพนันด้วยเพื่อนเป็นนักเที่ยวนักตีกันก็ยกพวกตีกันพาเราไปตีด้วยเนีเพื่อนกี่ขี้เกียจก็พาขี้เกียจ ด, ด้วยสารพัดแหละ ทุกอย่างแล้วเพื่อนผ่าไปเพราะฉะนั้นการครบเพื่อนเนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นอบายามุขที่สําคัญแล้วข้อสุดท้ายก็คือเกลียดคล้านการงานถ้าเด็กก็เกลียดคล้านการเล่าเรียนอ้างโน่นอ้างนี่ยังเช้าไปยังดึกเกินไปแล้วอะไรต่างๆยังหิวเกินไปนหรือว่าอิ่มไปรอหน่อยยังไม่ทํางานไม่ยอมเล่าเรียนไม่ยอมอ่านหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้อ้างไปเถอะเกลียดคลานนี่เขาเรียกว่าอบายามุข ถ้าใครตกในหลุมอาบายามุกแล้วไม่เจริญชีวิตก็ตกอับสังคมก็เสื่อมโทรนี่สังคมไทยข้าเหล่านี่มันถูกปล่อยให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในอาบายามุกมานานจนเรี่ก็ฟ่อนเฟะนั้นจึงจําเป็นต้องจัดระเบียบสังคมเทีนี้จัดระเบียบสังคมเนี่ยมันต้องจัดมาถึงในใจคนจัดมาถึงในครอบครัวจัดมาถึงในบ้าน ถ้าจัดระเบียบสังคมแล้วในบ้านไม่ร่วมมือครอบครัวไม่ร่วมมือเนี่ยพ่อแม่ไม่ช่วยดูแลเด็กให้ดีเนี่ยมันไม่สำเร็จและถ้าในใจไม่รู้จักจัดระเบียบชีวิตของตัวเองก็ไปไม่ไหวระนั้นที่เขาจัดระเบียบสังคมให้ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้มันถลําเกิดไปกว่า น, นี้แล้วก็จัดให้มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่จะฟื้นตัวจริงเนี่ยมันต้องทากันในระดับ ในบ้านในครอบครัวแล้วก็ในชีวิตในจิตใจของแต่ละคนนี่ในจิตใจชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันจะสาเร็จได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจัดตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าสู่ทางเข้าสู่มรรคเราก็หนึ่งรู้ว่าทางถูกคืออันอยู่ที่ไหนทางผิดอยู่ที่ไหนทางผิดคือทางอบายอบายามุกนั้นเราก็ไม่ไปละ นะประเทศชาติของเราชีวิตของเรานี่จะเจริญได้ยังไงเราเอาทางนั้นเราก็เลี่ยงทางเสื่อมมาเข้าสู่ทางเจริญนี่เรียกว่าปูพื้นฐานถ้าสังคมเรานี่มันมีแต่อบายยบุกเนี่ยมันเละเทะหมดเนี่ยเวลานี้จะไปไหนก็ไม่ปลอดภัยแค่คนติดยาบ้านเนี่ยเรานั่งรถไปในถนนเราก็ใจไม่ดีแหละเนี่ยรถคันโน่นสวนมากินยาบ้าหรือเปล่าใจไม่ดีแล้วนะ หรือไปอยู่ที่ไหนเดินไปที่เดี่ยวๆมีคนติดยาบ้ากเกิดมาชิงทรัพย์เราอีกเอาอีกไปไหนก็ไม่ปลอดภัยอยู่บ้านคนเดียวบางทีมันเข้ามาตีจะชิงทรัพย์เอาอีกแต่ก่อนนี้พระนี่ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะเดี๋ยวนี้พระก็ไม่ปลอดภัยแล้วอย่างที่ภูเขาที่จะมาไปพักนั่นมีคนติดยาบ้าขึ้นไปมีกุฏิพระอยู่บนเขาสูงเนี่ยอาพอดีว่าวันนั้นพระมาอยู่ถ้าอยู่ดีไม่ดีมันบีบคอเอาอะไรอยู่เลย น่ยมาขึ้นไปแล้วมันก็พังหน้าต่างเข้าไปพระไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เพราะมันอยู่บนเขาทิ้งกุฏิไว้แล้วมันก็เข้าไปนอนไปอยู่ในนั้นเนี่ย่งกระทั่งว่าคนที่อยู่ที่นั่นไปเห็นเขาก็เลยไปเรียกบอกตำรวจมา ก, กันแล้วก็เลยไล่ไป เ, เขาก็หนีไปเนี่ยนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภยัยพระอยู่ในที่สงัดนึกว่าจะไปปลีกตัววิเวก จะบำเพ็ญสมณธรรมก็พลอยต้องหวาดระแวงไปด้วยเดินทางทุดดงทุดเดิงต่อไปเนี่ยไม่ปลอดภัยสังคมของเราเป็นงี้เราอยู่กันยังไงอันนั้นไอ้พวกอบายามุกเนี่ยมาทำให้ชีวิตก็อับเฉาสังคมเราก็เสื่อมโทรมไม่ปลอดภัยเพราะนั้นมันก็ไม่มีความสะดวกสบายไม่คล่องจะทำอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดนั้นเราจะทาอะไรให้มันจะเลยก้าวหน้าเนี่ยสังคมของเราจะต้อง ไม่เบียดเบียนกันไม่ต้องหวาดระแวงไม่มีเวรภภยมากมีความปลอดภัยพอสมควรเราไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ได้สะดวกอย่างนี้ญาติโยมจะมาทำบุญทำกุศลเนี่ยถ้าสังคมคนเราเนี่ยมาเสื่อมโทรมลงไปอีกจนกระทั่งว่าต้องระแวงตลอดเวลาจะชิงทรัพย์การจะแย่งจะทำลายชีวิตเนี่ยตอมาตอไปนี่จะไปวัดก็ไม่กล้าไปแล้วทิ้งบ้านไม่ได้อะไรงี้ก็ติดขาดไปหมด เพรนั้นต้องแก้ไขขั้นต้นซะก่อนก็คือจัดระเบียบสังคมกันอวัยมุข เ, เรื่องเลวร้ายหรือผิดศีลห้าอะไรตัวไรเนี่ยให้หมดหมดไปอย่างน้อยก็พอให้มันพออยู่กันได้เสร็จแล้วเราก็ก้าวต่อไปก็เข้าสู่มรรคเนี่ยโยมก็เดินหน้าในทางศีลภาวนาเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับ ว, ว่าพวกจัดระเบียบสังคมเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยจัดพื้นที่เหมือนอย่างว่าเรามีพระเจดีย์กองเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้มันไม่รกลุงรังมันเดินไปมาทําอะไรได้สะดวก สังคมของเราเรียบร้อยอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วกัวกคือจัดระเบียบสังคมขั้นต้นนี้ต่อมาเอาละก็มาถึงตัวฐานพระเจดีและเข้าไปหน่อยนีพอสังคมนี้ก็คือชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยอยู่กันเรียกว่าพออยู่กันได้มันนั่งกันได้สงบเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนอั น, นี้ลึกเข้าไปในที่พระเจดีคืออะไรคือฐานพระเจดีตัวพื้นเนี่ยพระเจดีจะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยฐานเหมือนกัน ฐานนี้ก็คือพุทธบริษัททั่วไปโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานะมีความเลื่อมใสในศ า, ศาสนารู้ธรรมรู้วินัยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานพระเจดีเลยนะเจดีนี่เหมือนกับว่าตัวพศาสนาจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ต้องอยู่ที่ฐานด้วยถ้าฐานแข็งแรงมั่นคงพุทธศาสนชนิกะชนนประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในฐานศีลภาวนาและก็มา ห่างเหินจากอบายามุกไม่มีความเลวร้ายไม่เบียดเบียนกันนะมีศรัทธานในพระรัตนตรัยก็เหมือนเป็นฐานพระเจดีเนี่ยตั้งอยู่ได้และเรียบร้อยเอาแล้วทีนี้เราก็จะขึ้นสูงได้ต่อไปก็ขึ้นสูงองค์พระเจดีย์เนี่ยท่านทำไว้เนี่ยมีความหมายเป็นที่เรียกว่าสั ญ, ญลักษณ์ ฐานพระเจดีนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนพุทธบริษัทชาวโลกคนทั่วไปที่เข้ามาสู่ทางแล้วน่ามาอยู่ในระเบียบเรียบร้อยต่อไปก็ถ้าดูที่พระเจดีเนี่ยเหมือนกับคนที่ก้าวไปในภพในภูมิต่างๆในภพในภูมิต่างเนี่ยมีตั้งสาสอดภูมิแต่รวมแล้วเนี่ยมีสามชั้น เขาเรียกว่าภูมิสามีกามภูมิรูปภูมิรูปภูมิหรือเรียกเต็มว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกามาวจรภูมิหรือกามาภูมิก็พวกที่ยังมีกามยุ่งอยู่กามาขุนรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยพวกนี้ก็เลยแกิตั้งแต่พวกมนุษย์พวกเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้น่ะยังเสวยกามยังมุ่งหาความสุขอะไรต่างๆอยู่นี่ก็พระเจดีเนี่ยก็บอกให้เราก้าวไป เก้าไปขั้นที่หนึ่งก็จะเป็นขั้นกามาภูมิในขั้นกามภูมิเนี่ยจะอยู่ได้ดียังไงต้องมีศีลนีนะถ้ามีศีลแล้วก็พออยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันถ้ากามภูมินี่แต่ละคนก็มุ่งหาการมาคุณใช่ไหมรูปรถกลิ่นเสียงหาเงินทองไปต้นนี่ถ้ามันไม่มีศีลมันเบียดเบียนกันอยู่ไม่ได้เดือดร้อนงั้นชั้นกามนี่ต้องเน้นเรื่องศีลให้มีศีล ก็ประพฤติดีเว้นการเบียดเบียนการเว้นปานาติบาตอธินนาทานไม่ขับฟันไม่ทำลายชีวิตกันไม่ลักสมรดทรัพย์สินขโมยไม่ปลน้นอะไรกันนะตลอดจนกระทั่งไม่ติดยาเสพติดเนี่ยไอขั้นนี้และขั้นกามนี่พอเว้นจากพวกเว้ภัยต่างๆมีศีลห้า ก, ก็อยู่ได้เพราะนั้นก็เน้นศีลต่อไปสูงขึ้นไปอีกขั้นรูปราวจรแล้วก็ต่อไปอีกสูงขึ้นไปท่านอารูปราวจร สองขั้นนี้พวกนี้บําเพ็ญฌานะจิตเป็นสมาธินิ่งแนวพวกนี้ก็เป็นขั้นสูงขึ้นไประดับนี้ต้องเน้นเรื่องสมาธนะนะิท่านกามาวจรนี่เน้นศีลพอรูปบาวจรอาลูบาวจรนี่เป็นเรื่องสมาธิและไปเรื่องฌานรูปฌานอาลูฌานต่างๆแต่พุทธศาสนาบอกก็ไม่พอเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปนี่พระพุทธเจ้ามาอุบัติกามาวจรอาลูบาวจรอาลูบาวจรเขามีอยู่ก่อนแล้ว เนะีเขาประเพณก็ไปได้ชาดพกุกฤษีชีพลัยได้สมาบัตรแปดมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้ามาประกาศพุทธศาสนาขึ้นมาเหนือขึ้นไปเลยชั้นรูปราวาจรอรูปราวาจรมีพัดแท่น์บัลลังก์ของพระพุทธเจ้าให้ดูที่พระเจดีเนะ่ยพระเจดีเหนือสามชั้นที่เป็นกามาวาจรรูปราวาจรรูปราวาจรแล้วก็มีบัลลังก์พระพุทธเจ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมที่พระพุทธเจ้าประทับอันนั้นให้เข้าใจว่าอันนั้นคือ เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนที่พระพุทธเจ้าประทับพนะระพุทธเจ้ามาประทับประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เราเหนือขึ้นไปกว่ารูปราวจร์รูปราวจรและแล้วเหนือพระพุทธเจ้าก็มีฉัดเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ฉนะัดก็ยอดแหลมเป็นธรรมดาก็กลายเป็นเหมือนยอดพระเจดีย์ขึ้นไปนั้นทั้งหมดนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าขึ้นไปเหนือรูปราวจร<ๆ>เหนือภูมิต่าง ๆ, ๆก็เรียกว่าโลกุตรภูมิแล้ว เนี่ยตอนนี้เป็นโลกุตระเหนือโลกแล้วเหนือโลกแล้วคราวนี้เป็นขั้นอะไรเป็นขั้นปัญญาเน้นปัญญาเนะี่ยขั้นกามาวาจรเน้นศีลอรูปาวาจร์อรูปาวาจรเน้นสมาธิพอรูโลกุตระนี่เน้นปัญญาต้องอาศัยปัญญาจึงสว่างมองเห็นหมดพอยองขึ้นไปบนพระเจดียนะ์สูงขึ้นไปนะ่ะคราวนี้มองได้ กว้างไกลเห็นทั่วเห็นรอบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนีเราต้องก้าวขึ้นไปพระจจดีก็บอกเราอย่างเงี้ยขึ้นไปจนถึงยอดกลมๆนั่นนะบางท่านกาอธิบายว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสุญญาตาภาวะที่เป็นความว่างนะที่จิตใจว่างจากกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วจิตใจสว่างได้ปัญญาเป็นดวงที่สว่าง มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าดวงนี้นี่คือดวงนามธรรมนะเป็นดวงปัญญาปัญญาที่สว่างสวัยเป็นโพธิญาณ น, นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญพวกเรา ท, ทั้งหลายเนี่ยจะต้องก้าวไปในธรรมะของพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องก้าวให้สูงอย่ามารวมอย่างเดียวในวัดมีประโยชน์ที่ทําให้เราเนี่ยมีความสามาคัคคีมีศรัทธามารวมกันมีกําลังเข้มแข็งแต่พอเรามีกําลังเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราต้องก้าวให้สูงด้วยต้องขึ้นสูงต่อไป ก้าวไปนในธรรมของพระพุทธเจ้าและชีวิตของเราก็จเจริญงอกงามสังคมของเราก็จเจริญก้าวหน้าได้นั้นวันนี้เรามาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ในพระมหาเจดีย์สีปัจจันพระมหาเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ให้ความหมายทางธรรมะมากมายโยมมองแล้วก็น้อมเข้ามาในตนระลึกถึงธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าเอาล้วนะเราต้องชําระพื้นที่ รอบพระเจดีให้ดีก็คือสังคมนี่แหละให้มันปลอดภัยให้มันมาประชุมได้สะดวกไม่ต้องหวาดระแวงนี่ก็คือจัดระเบียบสังคมให้ดีไม่ให้มีอบายามุกให้มีเริ่มเข้าสุศีนหน้าต่อมาเราก็มีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้นก็มาเป็นฐานพระเจดีกันเนะเอาเป็นฐานพระเจดีมั่นคงและก้าวขึ้นละทีนี้ก้าวให้ได้กามาวจรก็ต้องให้ เป็นกามาวจจรที่ดีให้มีศีลเจริญงอก ง, งามกามาวจจรนี่มันมีทั้งสุขติทุกติต่าเป็นทุกติก็ลงไปอบายเมื่อกี้ที่ว่านรกเปรตอสุรกายดิรฉานถ้าขึ้นสูงก็เป็นเขาเรียกว่ากามาพระจรสุขติน่ยแป้บสุขตินี่ก็มีมนุษย์เป็นต้นแล้วก็พวกเทวดาต่างๆเป็นชากามาพระจรสวรรสวรรค์ชั้นต่างๆ พวกจาตุมหาลาชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานราดีปรนิมิตวัสวัตดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรจะไปกามาพจรที่ดีได้ก็ต้องมีศีล น, นต้องประพฤติัวให้ดีไม่เบียดเบียนกันต่อไปก็ก้าวขึ้นไปสู่รูปาวจรรูปาวจรก็บำเพญหนักในสมาธิแล้วก็ขึ้นสู่โลกุตระก็หนักในปัญญาเน้นปัญญาก็จบไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้ เนี่ยก็คือสู่ยอดพระเจดีย์เลยข่าวนี้ก็เป็นอิสระไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีอะไรที่มารบรุงรังแล้วขึ้นไปอยู่ในนั้นว่างสว่างโยมอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวนอันโน้นมาโดนอันนี้มาโดนต้องคอยระวังพอขึ้นไปบนข้างบนแล้วก็กสบายโล่งโปร่งแต่ทั้งหมดเนี่ยนะพระเจดีย์นี้ตั้งอยู่ได้ยังไงเราจะขึ้นไปได้พระเจดีย์ยังไงนี่สําคัญโยมต้องมีรากด้วยใช่ไหม แนะ่ต้องมีรากฐานพระเจดีย์ตรงนี้แหละที่สําคัญวมื่อไงจะดีตั้งมาอยู่หรอกแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนี่อะไรคือรากฐานพระเจดีย์ก่อนที่จะสร้างพระเจดีย์นี้ต้องวางรากก่อนพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกไว้วันนี้เรามาหารากพระเจดีย์กันนิดเดียวเดี๋ยวจบแล้วนะให้โยมตอบให้ได้ว่าอะไรเป็นรากพระเจดีย์นะ่วางรากวางฐานให้ได้ พระพุทธเจ้าจัดไว้ที่เราถือกันมาเราบอกว่าเราแบ่งพระศาสนาเนี่ยเป็นสามส่วนเรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ ท, ทุกท่านคงเคยได้ยินเวลาเราเรียกเต็มเราเรียกว่าสัตธรรมสามสัจธรรมคำสอนหลักคำสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าในมีสามอย่างหนึ่งปริยัติสัจธรรมสองปฏิบัติสัจธรรมสาปฏิเวทสัจธรรม อันนี้ปริยัติคืออะไรปริยัติก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเล่าเรียนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้อะไม่รู้ปริยัติเราก็ไม่รู้ฐานคืออะไรศีลคืออะไรภาวนาคืออะไรศีลคืออะไรมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรไม่รู้จักอย่างศรัทธาก็ไม่รู้ศรัทธาถูกผิดก็ไม่รู้นั่นนั่นต้องมีปริยัติปริยัติก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาเล่าเรียนพอเรียนแล้วก็รู้เนี่ยปริยัตินี่เป็นอันที่หนึ่ง จากปริยัติพอรู้แล้วถ้าเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็เป็นหมันเสีอีกไม่มีผลไม่ได้ประโยชน์เรียนเปล่าเขาเรียวกว่าเป็นใบลานเปล่า <Yeah. S 1> ทีนี้พอเรียนปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติก็ต้องเอาไปใช้พอเรารู้แล้วอะไรคืออะไรอะไรเป็นทานอะไรเป็นศีลอะไรเป็นภาวนาทานจะต้องให้อย่างไงจึงจะถูกต้องทานยังไงผิดให้ทานไม่เป็นก็ผิดไม่ใช่ศัจธรรมทานเนีเพราะฉะนั้นปริยัติก็ช่วยให้ปฏิบัติถูกต้อง แต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่มีปริยัาต์ก็ปฏิบัติเหมือนคนเดินทางโดยไม่รู้แผนที่ไม่รู้ที่ไปที่มาพอเห็นทางก็เดินเลยเดินบางทีไปลงเหวเลยเน่ยเดินผิดเดินตกหลุมหรือเดินดังเงาพลาดไปอย่างน้อยก็ไปไม่ถึงที่ผิดทางแทนที่จะไปเมืองสุพรรณก็ไปเมืองเชียงใหม่อะไรไปโน่นน่ยหรือไปณราธิวาสผิดทางดังนั้นก็ต้องรู้เหมือนกันรู้ว่าทางไหนไปไหน นักคนที่จะปฏิบัติก็คือคนเดินทางต้องรู้ปริยัติเนะี่ยตาใสากันคนที่รู้ปริยัติต้องปฏิบัติคนที่จะปฏิบัติต้องรู้ปริยัติทีนี้พอปฏิบัติโดยรู้ปริยัติคราวนี้ก็ได้ผลก็บรรลุผลผลสําเร็จเรียกว่าปฏิเวทนะ่ยก็ได้มรรคได้ผลได้นิพพานอย่างน้อยก็เดินเข้าสู่ทางก้าวหน้าไปในทางแทนที่จะไปอบายก็พ้นจากอบายไปสู่ทางสุคติโลกสวรรค์นิพพานไป อันนี้ก็เป็นด้านระดับสาเรียกว่าปฏิเวทศทธรรมเป็นอันมีสามเนี่ยปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนี่ตอนนี้เราจะมาสร้างพระเจดีเราจะขึ้นพระเจดีเราจะขึ้นไปจนถึงโลกุตระภูมิเราจะได้ปัญญาอะไรเนี่ยเป็นขั้นที่ปฏิบัติและปฏิเวทแล้วมันต้องอาศัยปริยัต ด, ด้วยท่านก็เลยบอกว่าปริยัตนี่แหละเป็นรากแก้วของาศาสนานั้นเราจะมีต้นไม้ก็ต้องมีรากแก้วที่มั่นคง เรามีพระเจดีย์เราก็ต้องมีรากฐานนั่นก็เลยมีปริยัติปริยัติเวลานี้เราก็เรียกกันว่าการศึกษาเล่าเรียนฉะ น, นั้นโยมจัดเว้นไม่ได้ต้องมีให้ครบฉะ น, นั้นเราจึงต้องมีให้ครบเวลาเรามีการทําบุญทํากุศลเนี่ยมีบุญญากริยาวัตถกุก็ต้องมีทานศีลภาวนาในภาวนานั้นมันก็แยกเป็นจิตภาวนาปัญญาภาวนาจิตภาวนาก็คือด้านเจริญจิตใจทําจิตใจให้เจริญงอก ง, งามเรียกว่าพัฒนาจิตใจ แล้วก็พัฒนาปัญญาไปเรียกว่าปัญญาภาวนาก็มีการฟังพธรรมเทศนาเป็นต้นการฟังธรรมเทศนานี้เป็นส่วนภาวนาในส่วนปัญญาภาวนาเป็นแต่ขั้นง่ายๆก่อนที่เราจะไปพิจารณาไตร่ตรองสืบสาวหาเหตุปัจจัยเป็นต้นมีธรรมวิจัยวิจัยทำได้ตนเองได้เนี่ยเรามาฟังธรรมซะก่อนให้รู้หลักรู้เกณฑ์รู้แนวซะก่อนพอเรารู้จากพธรรมเทศนาก็ได้ปัญญาขั้นต้นเนี่ย เรามีปัญญานี้ขั้นต้นแล้วเรทีนี้เราก็ไปไตร่ตรองไปพิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไตรลักษณ์เอออะไรทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดดับเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อย่างไงมันเป็นอนัตตายังไงมันเป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นโดยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันโน้จึงเกิดขึ้นอันนี้มาเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดมาก่อนเนี่ยถ้าโยอมจะไปพิจารณาให้เกิดปัญญาอย่างนี้ ก็ตอนแรกเราก็ไม่ไดเรียนรู้หลักซะก่อนมาฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมอทศนายังมาฟังวันนี้ก็เป็นบุญในส่วนภาวนานึงเนราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เริ่มต้นมาที่อาศัยปริยัติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาก็มาให้ปริยัตเราไว้ถ้าเราไม่เอาปริยัตมาเรียนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทรงอุตสาหะสั่งสอนมาสี่สิบห้าปีเราไม่ฟังซะแล้วเนะี พระ อ, องค์เสด็จไปโนดไปนี้เพื่อจะให้เราฟังเน่เสร็จแล้วเราฟังเราปิดหูซะนี่นเดี๋ยวนี้ก็คือไม่อ่านไม่ฟังพระเทศไม่ฟังธรรมไม่อ่านศึกษาธรรมวินัยมันก็ไปไม่ได้เดัะนั้นก็เลยต้องมีปริยัตินี้วัดนี้นันที่ท่านสร้างหมหาเจดีขึ้นท่านพระครูโสพลสิทธิการเนี่ยท่านเป็นนักการศึกษาน่ท่านเห็นความสาคัญของปริยัติ ขั น, นี้คือท่านจับที่รากแก้วเลยรากแก้วของาศาสนาตัวรากฐานของพระจดีแต่ก่อนที่สร้างพระจดีนี้ก็เราก็รู้กันแล้วก็สร้างรากก่อนแล้ววางรากวางฐานเนี่ยท่านก็พยายามวางรากวางฐานมานานให้ญาติโยมได้ศึกษาลเล่าเรียนสร้างสะ ส, สร้างเนยขึ้นมานมเนี่ยมีโบสถ์เนรภาคฤดูร้อนมีการเดี๋ยวนี้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีแล้วได้ทราบมาตั้งมาสามปีแล้ว แต่ถึงตอนไม่ตั้งกับพระเนงของท่านก็เรียนกันก้าวหน้าไปได้ประโยชน์ก้าวกันไปเรียนที่อื่นก็ก้าวหน้าประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมาช่วยท้องถิ่นกลับมาช่วยชาวบ้านกลับมาช่วยลูกหลานญาติโยมอีกเนี่ยมาสอนให้รู้หลักรู้ธรรมวิ น, นัยให้รู้จักทางที่ถูกทางให้พ้นจากอบายมาช่วยกันทําสังคมของเราให้ดีให้มีระเบียบไม่เป็นสังคมที่ไปอบายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือมาช่วยกันด้วยการศึกษา นิการศึกษาเนี่ยก็คือการที่จะเริ่มสร้างวางรากฐานของพระเจดีให้เราในก้าวขึ้นสูงไปในพระธรรมของพระสมมาสัพพุทธเจ้าได้อันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการศึกษานี่เราจึงจะต้องตั้งใจจัดและบํารุงกันให้อยู่ให้มีอยู่เสมอและเจริญแพร่หลายออกไปก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่ทางวัดเสือหรือวัดพยัคฆารามเนี่ยเป็นวัดที่เอาใจใส่อุทิศตัวเรื่องการศึกษาอย่างยิ่ง รำมานานแล้วแล้วอย่างที่บอกได้ก็ก้าวมาในการศึกษาเรื่อยจากการที่บวชแค่เน้นภาคฤดูร้อนต่อมาก็มีการจัดเรียนกันจรงจิงๆจนกระทั่งไม่เฉพาะนักธรรมเท่านั้นเรียนบาลีแล้วด้วยนี่ยังให้การศึกษากับญาติโยมการศึกษาต่างๆนี่ก็มีตั้งแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็เรียนเรื่องวิชาชีพความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยชีวิตประจําวัน คนเรามีการศึกษาหลายอย่างเราต้องเรียนให้ครบหนึ่งก็ชาวบ้านก็เรียนวิชาธรรมากินต่อจากวิชาธรรมากินก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าที่เราเป็นอยู่ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรถูกอย่างไรผิดไม่ใช่ว่าเอาแต่ธรรมากินอย่างเดียวดีไม่ดีก็ได้ตะเบียดเบียนกันอยู่กันไม่เป็นสุขก็ต้องรู้ด้วยอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นการเบียดเบียนตนอะไรเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น ทำอะไรไม่ให้เบียดเบียนสังคมไม่ก่อความเดือดร้อนให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเรียนรู้หลักธรรมคาสอนให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ขุนรู้โทษรู้บาปลูบุญต่อมาก็รู้หลักความเจริญความเสื่อมอีกเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้ที่สําคัญเราก็ก้าวหน้าคนก็ก้าวหน้าในชีวิตการงานต่างๆเนี่ยเขาไปเรียนทำเป็นรับราชการเขาก็ก้าวหน้าไป แม้อีกด้านหนึ่งทางจิตใจทางชีวิตก็ก้าวหน้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าก้าวขึ้นสูงขึ้นไปในธรรมะของพระพุทธเจ้าจั้งตะกามมาวาจรไปรูปาวาจรอรูปาวาจรจนกระทั่งโล ก, กุตระเนี่ยก็จะสำเร็จไ ด, ไ, ดได้ได้มีการศึกษานี้พราะนั้นวันนี้ก็มาสรุปกันที่ว่าเรามาทาบุญทำกุศลกันเนี่ยทบุญเนี่ยมีหลายอย่างที่เรากาหนดเอา การวัร จ, จุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เป็นข้อปรารพและเป็นศูนย์กลางให้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราทำความดีทำบุญหลายอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายท่านเนี่ยจึงได้มาบวชชีพราหมณ์กันมาเข้าเนกขมะปฏิบัติมานั่งสวดมนต์จเจริญภาวนาแลยจะไรรับศีลฟังธรรมแล้วก็จเจริญกรรมฐานจิตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยมีรากฐานมาจากปริยัติการศึกษาเท่านั้นเลยท่านสอนให้โยมรู้จักรู้เข้าใจวิธีปฏิบัติเนี่ทั้งหมดเนี่ยเรามาทําบุญกันวันนี้ก็มีทั้งทานการบริจาค ก, การให้การเลี้ยงพระเป็นต้นแล้วก็มีการเจริญศีลสำหรับโยมที่เจริญเนคขมมะนี่ยก็ชัดอยู่แล้วตลอดเต็มที่ทั้งศีลหแล้วก็ยังศีลแปถ้าใครมีอุตสาหาจะเจริญศีลสิบก็ยังได้เนี่ย แล้วก็ภาวนาก็อย่างที่บอกแล้วก็จเจริญสมถะภาวนาปัญญาภาวนาวิปัสนาไปแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้ทางนั้นแหละก็รวมแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเราจะก้าวไปในพระศาสนาเมื่อก้าวไปในพระศาสนาได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าไปทางไหนดีทางนั้นเลยถ้าเราปฏิบัติถูกรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนปริยัตถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้ทุกอย่าง ประกอบอาชีพการงานก็เจริญก้าวหน้าไปรับราชการก็อยู่ได้ดีไม่เฉพาะชีวิตตัวเองเจริญดีเท่านั้นสังคมก็เจริญงอกงามประเทศของเราเนี่ยเวลานี้เราก็บอกว่ากําลังพัฒนาบางทีถ้าเรียกไม่สุภาพเขาเรียกว่าด้อยพัฒนาเดี๋ยวนี้เขาเรียกให้สุภาพหน่อยเขาเรียกว่ากาลังพัฒนาเราก็ควรจะมีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราทาไมมามัวยอมอยู่แค่นี้ เราจะมายอมเป็นด้อยพัฒนากําลังพัฒนาได้ยังไงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่สอนเรื่องภาวนามาอย่างดีคือภาวนาก็คือพัฒนาเาฉนั้นชาวพุทธนี่เป็นนักพัฒนาแล้วมายอมตัวเป็นผู้ด้อยพัฒนาได้ยังไงชาวพุทธนี่แหละเป็นผู้ที่พัฒนาอย่างสูงที่สุดแล้วภาวนากายพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสูงสุดจึงจะเป็นชาวพุทธได้ ถ้าคนไม่พัฒนานี่จะเป็นชาวพุทธได้ยังไงเพราะความเป็นพุทธเนี่ยอยู่ที่ได้ภาวนาก็คือพัฒนาแล้วท น, น้นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ได้พัฒนาแล้วอย่างดีครบถ้วนสมบูรณ์นั้นการที่ประเทศของเรามารับยอมรับชื่อ่ากำลังพัฒนานี่แสดงว่าเราเหมือนกับบอกตัวเองว่าฉันนี่เหมือนกับจะสลัดความเป็นชาวพุทธหรือว่า ไม่ได้เป็นชาวพุทธจริงนั่นเองถ้าเป็นชาวพุทธจริงนี่ต้องเป็นคนที่พัฒนาดีดังนั้นเตือนตัวเองเลยต่อไปนี้ให้พระเจดีเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนสติญาตโยมชาวพุทธชาวศรีปัจจันร์ชาวสุพรรณบุรีและชาวไทยทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ถูกต้องแต่พัฒนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พัฒนาผิดผิด อย่างชาวบ้านชาวเมืองนะแม้แต่ฝรั่งก็พัฒนาผิดเวลานี้รู้ตัวแล้วเขาเลยบอกว่าพัฒนากันมาเป็นร้อยปีในที่สุดมาจบลงที่ไหนเวลานี้ฝรั่งก็ตามไทยก็ตามรู้แล้วบอกว่าจบที่พัฒนาไม่ยั่งยืนว่างั้นนะแลจบที่นี่เองพัฒนาที่บ้านเมืองก็ทํากันมาเนี่ยจบที่พัฒนาไม่ยั่งยืนก็หมายความว่ามันไม่สําเร็จนั่นเก็คือไม่พัฒนาพัฒนาไปสู่ความล่มจมว่างั้นนะ เพระนั้นชาวพุทธเราเนี่ยอย่าไปหลงการพัฒนาผิดๆของชาวบ้านของฝรั่งนะฝรั่งพัฒนามาผิดแล้วไปสู่การพัฒนามายังยืนเวลานี้ยังหาทางออกไม่ได้เลยก็ยังหาทางออกอยู่ชาวพุทธจะต้องเป็นผู้นําในการพัฒนาที่ถูกต้องเรามีหลักการพัฒนาอยู่แล้ว ท, ท่านเรียกว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาแล้วเวลาแปลก็แปลว่าพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิต และพัฒนาปัญญาใครพัฒนาครบสี่ด้านนี้เรียกว่าหนึ่งพาวิตกายะหรือภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้วสองพาวิตศีลมีศีที่พัฒนาแล้วสมพาวิตจิตมีจมิตที่พัฒนาแล้วสี่พาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วใครมีพาวิตะสี่ประการนี้ท่านว่าเป็นพระอาหารหันต์นิรยม พุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งการพัฒนาจะเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องผู้ที่พัฒนาแล้วสมบูรณ์ก็เป็นพระอระหรอันต์เพราะฉะนั้นญาติโยมต้องสอนลูกสอนหลานและสอนตัวเองด้วยว่าให้พัฒนากันให้ถูกต้องเรามีหลักของการพัฒนาอยู่แล้ววันนี้อาตมาก็มาเข้าสิภาวนาแต่พัฒนาสี่อย่างนี้ก็อยู่ที่ใจสิกขาศีสมาธิปัญญานั่นแหละ รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้ไม่ต้องพูดกันละพอโยมนี่ฟังมาแล้วก็เป็นแนวให้โยมไปฟังศึกษาต่อไปพูดมาก็เป็นเวลาเรียกว่าพอสมควรหรืออาจจะเกินสมควรไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะได้จบก็ขอโนโมธนายมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาตั้งใจร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ในเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บอกแล้วแต่ต้น ว่ายิ่งใหญ่ทั้งในทางท้องถิ่นและยิ่งใหญ่ทั้งในการละเวลาหรือพูดรวมๆ ว, ว่าใหญ่ในทางทั้งการละและเทศเมื่อเป็นการใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องให้มีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงจะให้ผ่านไปเปล่าจะไม่ให้ผ่านไปเปล่าก็ให้เป็นเครื่องเตือนสติเรานั่นเองโดยเฉพาะมีมหาเจดีย์ปรากฏเป็นรูปธรรมเห็นเด่นชัดอยู่ในบัตรนี้แล้วและจะเป็นอนุสรณ์ที่จ้งองยู่สืบไป อนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จก็ได้นํากล่าวคําอธิษฐานได้ยินว่าโยมไม่ค่อยได้ยินกันนะที่จริงกล่าวบอกให้ว่าตามใ น, ในคําอธิษฐานนั่นก็หวังว่าทางวัดท่านอาจจะแจกโยมอีกทีหนึ่งคือทํำมาแค่ยีสิบแผ่นนี่ก็เลยกล่าวไว้ให้ว่าตามนี้คําอธิษฐานเนี่ยถ้าแจกโยมไปแล้วเวลาโยมบูชาพระธาตุเนี่ยกล่าวตามนั้นได้เลย จะกล่าวทั้งหมดหรือตัดตอนท้ายก็ได้เพราะว่าในนี้มีหลายคาถาเป็นคาถาทั้งหมดเท่าไรเนี่ยหลายคาถาโยมอาจจะเอาเพียงตอ น, น, นหนึ่งอ่านให้โยมฟังอีกทีก็ได้ตอนต้นก็ว่านามโมตั้งนมโมสามจบอาตมาจะลองอ่านให้โยมฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยได้ยินกันบอกว่าถาตุวิลาสมาโนยังโตสยันโตมหาชเน เกลาสมังคลัดถูโปอจโลสุปฏิธิโตมหาเจตโยโสพันโตมหาชนะนิเศวิโตปหูชนาสมาคัมมะนานาเทสาสมาคตาปูชยุนจะอิมังถูปังสัพพทาปิอตันทิตาอปมัตตาสตาสันตากโรมะกุสลังปหุง อหังวันทามิทาตะโยอหังวันทามิสัพปโสกะตะปุญญานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพปธานเนี่ยคถ า, านเนี่ยคถ า, าอธิษฐานตอนที่บรรจุภาษาลินกธาตุโยมจะได้ไปแล้วตักตอนก็ได้ถ้าท่องไม่ไหวเอาแค่ทายก็ได้ทายม่นิดเดียวอหังวันทามิทาจะโยอหังวันทามิสัพปโสกะตะปุญญานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพธาเท่านี้แหละ ถ้าท่านโยมว่าได้หมดก็ยิ่งดีเวลาบูชาพระธาตุก็ว่าจบเลยไหวพระธาตุไหวพระเจดีย์เนี่ยในคาถานี้จะบอกถึงว่าขอให้พระเจดีย์มหาสถูกที่เป็นมงคลและบอกว่าสีขาวด้วยนะในะนะนี้บอกนะีสีเกลาสะสีขาวผ่องดังเขาไกลราดวางังินนะนี่ขอให้พระเจดีย์สถูปเนี่ย สถิตอยู่มั่นคงสืบต่อไปเป็นที่มาชุมนุมของมหาชนเป็นที่งดงามพอดีว่าได้ใช้มหาเจติโยเป็นชื่อของมหาเจดีย์นี้ก็เลยมีอยู่ในคถานี้ด้วยเป็นชื่อของพระเจดีย์แล้วก็มีโสรพันโตโสพันโตนี้ก็จะเป็นคำบอกว่าพระเจดีย์นี้งดงาม แต่ว่าที่บอกเขาจะดีงดงามเนี่ยมีความหมายมาตรงกับฉายาท่านพระครูนะโสผันโตก็คือจุดต้นในนามฉายาของท่านเนี่ในขอภัยไม่ใช่ฉายาในสมณศักดิ์ของท่านในพระราชินานามสมณศักดิ์โสพลสิทธิการาโสผันโตแล้วก็มหาชน ชนต่างๆจะมาสมาคมจากทินต่างๆนานาเทศสาจะมาประชุมกันพึงบูชาพระสถูปนี้ตลอดการทุกเมื่อเลื่อยไปแล้วเราทั้งหลายเนี่ยก็จงได้มีความไม่ประมาทกระทำกุศลกันให้มากนแล้วก็ข้าพเจ้าขอน้อมไหวนมัสการพระธาตุขอน้อมไหวพระธาตุ สิ่งสกสารบูชาพร้อมบริบูรณ์ทั้งปวงและได้อนุภาพแห้งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อเทินนะเนี่ยโยมอันนี้เป็นคำอธิษฐานที่ให้โยมว่าตามเมื่อกี้นะโยมก็คิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะพิมพ์แจกให้หรือไม่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ท่านกันล้วกันนี่ถ้าได้เปล่ายังตอนนี้ยังต่อไปถ้าได้ก็เอามาท่องก็ได้ แต่ว่าในนี้สอนไว้ด้วยนะต้องมีความไม่ประมาทกระทากุศลให้มากกระทากุศล ก, ก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าในมรรคแล้วก็บอกไว้แล้วนี่ว่าให้พระาธาตุพระเจดีย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางให้เรามารวมกันนะรวมกันเพื่อทําบุญกุศลแล้วก็ก้าวขึ้นไปที่บอกเมื่อกี้นะบอกว่าให้เรามารวมศูนย์แล้วก็ให้ขึ้นสูงด้วยให้ได้ทั้งสองอย่าง มาขึ้นสูงไปในพระธรรมของพระพุทธเจ้ากามาว จ, ร, าวจ ร, รูปาวจรอูปาวจรไปโล ก, กุตระได้ทานศีลภาวนาได้ศีลสมาธิปัญญาให้ครบก็ขอให้โยมเจริญงอกงามได้ทั่วกันโดยทางนี้ก็มีรากฐานจากการศึกษาปริยัติที่วัดนี้หลวงพ่อท่านพระครูโสพลสิทธิการท่านได้จัดให้โยมอยู่แล้วทางคริหัตรบรรพชิตเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเราขอให้เรามาตั้งใจกัน ทั้งตัวเองก็เล่าเรียนให้มากทั้งลูกหลานต่างๆก็พยายามให้มาเล่าเรียนเป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนไม่ผิดหรอกเราจะได้ช่วยฟื้นสังคมขอเราให้ดีงามถ้าโยมส่งลูกมาเข้าวัดนะมาเรียนที่วัดเนี่ยต่อไปไม่มีหลักยาบ้าอืโยมมั่นใจได้เลยเนี่ยยาบ้าหมดไปแล้วศีประจันก็อยู่ร่มเย็นใช่ไหมเนะไม่มียาบ้าไม่มียาเสพติด แล้วก็ไม่มีเรื่องการพ น, นันไม่มีเรื่องร้ายทั้งหลายนะ่าไม่เกียดคลานไม่หมกมุ่นการบันเทิองอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีแต่คนดีเป็นกัญญาณามิตรต่อกันเนี่ยเราก็มีความสุขสังคมของเราเจริญงอกงามเป็นบรรยากาศแวดล้อมพื้นที่ที่ดีเราก็สามารถที่จะมาเจริญกุศลขึ้นพระเจดีเกิดไปให้สูงได้มากที่สุดแต่ถ้ารอบพระเจดีมันวุ่นวายมันก็ขึ้นพระเจดีไม่ไหวนะี่ และก็เรามาช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้ดีก็ด้วยการศึกษาเล่าเรียนยังถูกต้องโดยเฉพาะเด็กเยาวชนก็เริ่มให้การศึกษาที่ดีกันตั้งแต่ในครอบครัวแล้วส่งมาวัดให้มาเรียนหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าในห่างเหินจากอบายมุกเจริญในการศึกษาเล่าเรียนไปได้ดีแล้วก็ชีวิตของเด็กเองก็จเจริญ ง, งอกงามสังคมของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อเภอศรีประจันนี้เป็นต้นไป อันนี้ก็ขอให้เป็นความหมายของพระมหาเจดีย์ศรีประจันต์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมี จ, จิตใจร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะได้มาเจริญศรัทธาในพระธรรตรัยตั้งใจสดับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปในตรยสิกขายิ่งขึ้นไปในมรรคของพระพุทธเจ้าและประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตส่วนตนครอบครัวและสังคม ทางประเทศชาติของเราให้รุ่งเรืองงอกงามมีสันติสุขสืบไปได้กล่าวเป็นธรรมกถามาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ขอโนโมธนาโยมญาติมิตรพุทธบริษัททั้งปวงรัตนัตยาณุภาเวนะรัตนนตยเตชสาเจเดชานวภาพคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งบุญกุศลมิทานศีลภาวนาเป็นต้นที่ได้บำเพ็ญแล้ว จงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรพุทธบริษัททุกท่านจเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามาัรขีที่จะดำเนินชีวิตพาครอบครัวของตนเองสังคมประเทศชาติให้จเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข โดยทั่วกันอย่างกว้างขวางและยั่งยืนนานร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมัมมาสัพพุทธเจ้าตลอดการทุกเมือ่อเธอ